วันนี้เป็นวันพระหัสั บ, บดีที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมผู้ฝ่ายธรรมเนื่องจากเป็นวันทิยะมหาราช ทางราชการจึงได้กำหนดให้เป็นวันหยุดสาธุชนผู้ที่สนใจในเรื่องของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่ง น, นี้ซึ่งจะมีการแบ่งเวลาไว้เป็นสองส่วนด้วยกัน คือสามสิบนาทีแรกจะเป็นการแสดงธรรมและสามสิบนาทีต่อมาจะเป็นการปฏิบัติธรรมคือจเจริญสมถะภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดดวงตาเห็นธรรม ทำที่เราจะมาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องวิธีทำให้ดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาตอนนี้พวกเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมกันยังไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่พทธเจ้าทรงสอนนั้นเป็นความจริงหรือไม่เช่นนรกก็ดีสวรรค์ก็ดี การเวียนว่ายตาเกิดก็ดีมากผลนิพพานก็ดีหรือสมาธิขั้นต่างๆเช่นคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิอุปปจารสมาธิทำเหล่านี้เป็นของจริงอยู่หรือไม่เราสามารถพิสูจน์เห็นได้ด้วยกับตาของเราเองหรือไม่ ถ้าเราอยากที่จะเห็นธรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นนามธรรมไม่ใช่รู ป, ปรธรรมเราต้องมาปฏิบัติจิตภาวนาคือการทำใจให้สงบและทำใจให้ฉลาดคือการเจริญสมถภาวนาในเบื้องต้นทำใจให้นิ่งให้สงบ แล้วก็จเจริญวิปัสสนาภาวนาทำใจให้ฉลาดให้รู้ว่าทำต่างๆนั้นเป็นอย่างไร<ม>เกิดขึ้นได้อย่างไร<ม>การที่เราจะมีดวงตาเห็นทำได้เราต้องหันเราต้องเปิดตาในของเราซึ่งตอนนี้ตาในของเรานี่ถูกปิดเอาไว้ ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชากิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี้ไม่ต้องการให้เราเปิดตาในต้องการให้เราไปเปิดตานอกคือตาของร่างกายและอาและอายาตนะทต่างๆเช่นตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่จะได้ไปเห็นไปรู้จักโลกธรรม ก็คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลสภาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. พวกเรานี้จะเห็นแต่โลกกระม mm hmm. เห็นลาบ mm hmm. เห็นยศเห็นสรรเสริญ hmm. เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลสภาต่างๆ mm hmm. แต่เราจะไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่เห็นมรรคผลผนิพพาน ไม่เห็นไม่ให้เห็นทำขั้นต่างๆเพราะเราไม่ได้มองเข้าไปจุดที่ทำเหล่านี้ปรากฏอยู่นั่นเองเราหันไปอีกด้านหนึ่งเหมือนกับถ้าเรามองไปข้างหน้านี่เราจะเห็นแต่สิ่งที่มีอยู่ข้างหน้าเราแต่เราจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่มีอยู่ข้างหลังเราว่ามีอะไรบ้างขณะนี้ญายโยนั่งอยู่นี่หันหน้ามาข้างหน้า ก็จะเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหลังนี้ญาตโยมจะไม่รู้เพราะญาตโยมไม่ได้หันกลับไปดูข้างหลังจึงไม่รู้ว่าข้างหลังนี่มีใครบ้างมีคนกี่คนนั่งอยู่รู้แต่ข้างหน้าว่ามีคนกี่คนนั่งอยู่เป็นต้นนี่ก็ลักษณะเดียวกันกับการเห็นสิ่งที่มีอยู่สองส่วนด้วยกัน สิ่งที่อยู่ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายในใจใจถูกบังอำนาจของกิเลสตัณหาดึงให้ไปเห็นแต่สิ่งภายนอกเพื่อจะได้ไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกคือรลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆรู้จากลาบดีรู้จากยศ ด, ดีรู้จากสรรเสริญดีรู้จัก รูปเสียงกิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆได้ดีเพราะว่ามองมาทางนี้แต่เรื่องของบาปบุญนรกสวร<ม>รค์การเวียนว่ายตายเกิดมรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่กลับมองไม่เห็นกันเพราะว่ามไม่ได้หันกลับเข้ามาดูจุดที่สิ่งเหล่านี้ทําเหล่านี้ตั้งอยู่นั่นเอง ทำเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงได้ตัดสรุได้ทรงเห็นและนามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนี้มีอยู่ภายในใจของพวกเราทุกคน อ, อย่างแต่ว่าใจของเราตอนนี้ไม่ได้หันกลับเข้ามาดูเลยมองไม่เห็นคือไม่มีดวงตาเห็นธรรมเพราะไม่เปิดตาในนั่นเองมัวแต่ไปเปิดตานอก มัวแต่ไปดูสิ่งภายนอกใจคือไปดูรูปเสียงที่นวดผดผ้าว่ารูปสวยอย่างนั้นเสียงไพเราะอย่างนี้กลิ่นหอมอย่างนั้นรสอร่อยอย่างนั้นสัมผัสที่นิ่มนวลอะไรต่างๆเป็นต้นจะรู้แต่เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาเหล่าให้ไปติดกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นเหมือนกับยาเสพติดถ้าลองไปเสพแล้วมันจะทำให้ติดเสพราบยศสรรเสรินเสเพูปอเสียงกลิ่นลดผดทะพะแล้วก็จะทำให้ติดโดยไ ม, ไม่ไม่ไม่สนใจกับเรื่องอย่างอ<ม>ื่นไม่สนใจเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดอริย ส, สัจสี่มรรคผลนิพพาน ตรลากอันนี้จังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นธรรมที่เป็นนามธรรมที่เป็นธรรมที่สาคัญต่อจิตใจมากกว่ารูปธรรมรูปธรรมที่กิเลสตัญหาหลอกให้พวกเรามาเสพกันนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจของเราทุกข์กัน เพราะว่ารูปธปรรมคือลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่มีการเจริญและมีการเสริมสลับกันไปเวลาเจริญในลาบยศสารเสริญสุขก็มีความสุขกันเวลาเสียมลาบเสื่อมยศพบกับมินทาพบกับความทุกข์ทางตาหูจมูกม้นกายก็จะเกิดความทุกข์กันเกิด ค, ความเศร้าโศกเสียใจกัน แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าถูกอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี้ครอบงำคอยสั่งการให้ใจไปหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่คือาลาภยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆและเป็นเหตุที่ทำให้ ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเมื่อได้เสพโลกธรรมทั้งสีนี้แล้วก็จะติดจะมีความอยากจะเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะการเสพโลกธรรมทั้งสีนี้ไม่ได้ทําให้อิ่มให้พอมีจะทําเพิ่มความอยากเสพให้เพิ่มมีมากขึ้นไปเรื่อ ย, อยได้เงินมาร้อยก็อยากจะได้เป็นพันได้พันแล้วก็อยากจะได้เป็นหมื่น ได้เหมือนก็อยากจะได้แสนได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันตายพอตายเงินทองที่หามาได้ก็ทิ้งมันไปเพราะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับตอนเองได้ใจไม่สามารถเอาโลกกระทำไปกับใจได้ใจเอาสิ่งที่สิ่งที่เอาติดไปกับใจก็คือตัณหาความอยากความอยากที่จะเสพโลกกระทำทั้งสี่นี้ มันก็จะเป็นตัวที่พาให้เราไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่เราก็ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปเสพลาบยศสารเสริญกันใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือวิธีการของการเวียนว่ายตายเกิดของใจของพวกเราต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรา ไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่ได้เจอคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทุกครั้งที่เราเกิดเราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ความทุกข์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ของความตายความทุกข์ของการทัดภาคจากการเป็นต้นเราก็จะติดอยู่ ในกองทุกเหล่านี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาด้วยการเจอพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือเจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่ยังมีตัวแทนอยู่มีพระพุทธศาสนาตั้งอยู่อย่างสมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าเราสอนเราแต่เรามีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สอ ง, ส อ, งองค์ด้วยกัน คือหนึ่งพระธรรมคาสั่งคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ตลอดระยะเวลาสีสิห้าปีด้วยกันที่ได้มีการจดบันทึกเก็บาไว้ในพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนเหล่านี้ถือว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าถ้าได้ศึกษาพระธรรมคาสอนเหล่านี้ก็จะถือว่าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง และตัวแทนอีกองค์หนึ่งก็คือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรมผู้มีดวงตาเห็นมรรคผลนิพพานเห็นราภเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบาปบุญกุลบุญเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นวิธีการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีองค์แทนพระพุทธเจ้าอยู่สงองค์ที่จะมาสอนให้เรารู้จักวิธี ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดก็หมายถึงการไปหาความทุกข์นั่นเองอทุกครั้งที่เกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความความความเวียนว่ายตายเกิดนี้หยุดการกลับมาเกิดนี้โดยการหยุดเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจ ที่อยู่ภายในใจที่เรามองไม่เห็นกันที่เราจะต้องถ้าเราต้องการจะเห็นปัญหาความอยากเราก็ต้องเปิดตาในขึ้นมามเปิดตาในเพ<ม>ื่อที่เราจะได้มีดวงตาเห็นธรร ม, มเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นและทรงนํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลก<ม>ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือ เราต้องมาเปิดตาในกันวิธีการที่เราจะเปิดตาในนี้เราต้องดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในอันนี้ใจเราถูกพิเรฒผลักดันให้ไปข้างนอกให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพชชนิดต่างๆให้ไปห า, าลาภยศสรรเสริญ<ม>เราต้องดึงใจที่ไปออกไปข้างนอกนี้กลับเข้ามาข้างใน<ม>ด้วยการเจริญจิตตะภาวนานี่อ การเจริญจิตตะสมถะภาวนาเนี้เป็นการดึงใจเข้าข้างในเมื่อใจเข้าข้างในแล้วใจก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ข้างในใจของเราแล้วเราก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาตามลําดับนี่คือวิธีการของการทําให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทําให้เราเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบาปบุญคุณโทษ เห็นมรรผลนิพพานเห็นอริยสัจสี่<ม>เห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นกิเลสตัณหา<ม>ภายในใจของเรามีทั้งทำที่เป็นธรรมที่ดีและมีทำที่เป็นธรรมที่ไม่ดีทำที่สร้างความทุกข์ก็มีทำที่จะดับความทุกข์ก็มีมทำต่างๆเหล่านี้อยู่ภายในใจของเรา<ม>ถ้าเราไม่เข้ามาข้างใน ถ้าเราไม่เจริญสมถะภาวนาทำใจให้นิ่งให้สงบเราจะไม่สามารถมาเห็นธรรมต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้เลยในเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องทาในการที่จะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมก็คือดึงใจให้กลับเข้าข้างในให้ได้ด้วยการระงับการออกไปทางภายนอกนระงับการส่งใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธาต่างๆ ด้วยการสำรวมอินทรีย์ผู้ที่จะมาดึงใจให้เข้าข้างในเบื้องต้นจำเป็นที่จะต้องสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายไม่ส่งตาหูจมูกนิ้วกายไปหารูปเสียงกดลิ่นรสผงสารพัดชนิดต่างๆวิธีที่จะสำรวมวิธีที่จะปิดไม่ให้ตาไปไม่ให้ใจไปเห็นรูปเสียงกดลิ่นรสผงสารพัดก็คือ การรักษาสี่งแปดขึ้นไปนั่นเองศิ่งแปดนี้ก็จะห้ามไม่ให้เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆเช่นศีลข้อสามของศิลงแปดก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมเพศไปหาความสุขจากการร่วมเพศกันเช่น ก, ก็เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผภัณของบุคคลต่างๆนี่แล้วก็ห้ามไม่ให้เรา เสบรูปเสียงกลิก่นรสของอาหารตามความอยากอนุญาตให้รับประทานอาหารไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายได้แต่ให้รักประทานพอประมาณไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายด้วยอาหารต่างๆแล้วก็ห้ามไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิก่นรสในรูปแบบของมหัศลพบันเทิงต่างๆ เป็นการดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นนี่เป็นวิธีของการเสบรูปเสียงกิดรถเราต้องระ ง, งับการเสบเหล่านี้ให้ได้ก่อนถ้าเราระ ง, งับไม่ได้เราจะไม่สามารถดึงใจให้เข้าข้างหนได้ ไม่สามารถเปิดตาในขึ้นมาได้เราต้องถือศีลแปดกันถ้าผู้ที่ต้องการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมในเบื้องต้นต้องระ ง, งับการเสพรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆด้วยการปฏิบัติตามกฎของศีลแปดขึ้นไปอย่างน้อยต้องศีลแปดถ้าถ้ามากกว่า น, นี้ได้ยิ่งดีศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยสิบเจ็ดเนี่ยศีลต่างๆเหล่านี้จะเป็นการ ควบคุมใจไม่ให้ไปเสพไม่ให้ไปสัมผัสไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆเพราะถ้ายังไปเสพยังไปเกี่ยวข้องอยู่ก็จะไม่สามารถดึงใจให้เข้าข้างในได้ mm hmm. เห็นเบื้องต้นต้องใช้ศีลเป็นตัวคอยสกัดกัน้นคอยตัดไม่ให้ใจไปยุ่งเกี่ยวไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆ เมื่อเราสามารถระงับการเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แล้วเราก็จะได้ดึงใจให้เข้าข้างในได้การการะงับการเสพรูปเสียงกลิ่รสนี้ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะดึงใจให้เข้าข้างในเพียงแต่ระงับไม่ให้ออกไปข้างนอกไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสแต่ยังไม่ได้เข้าข้างใน การที่จะเข้าข้างในนี้จาเป็นที่จะต้องใช้การภาวนาจิตตะภาวนาขั้นแรกที่เรียกว่าสมถภาวนาทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยการเจริญสติ mm hmm. การเจริญสตินี้เป็นการควบคุมห้ามใจไม่ให้ส่งออกไปข้างนอกไม่ให้ส่งออกไปตามความคิดไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าไม่ให้คิดถึงลาบยศสรรเสริญ ไม่ให้คิดถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้เป็นต้นให้ระงับความคิดให้หมดให้หยุดคิดให้ได้การที่จะทําใจให้หยุดคิดได้จําเป็นจะต้องมีสติผูกใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์ที่จะทําให้ใจสงบอารมณ์ที่จะทําให้ใจสงบนี้เราเรียกว่ากรรมฐานเราต้องผูกใจไว้อยู่ให้อยู่กับกรรมฐานแบบใดแบบหนึ่ง กรรมฐานนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันที่สามารถดึงใจไว้ให้เข้าสู่ความสง บ, บได้เช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง mm hmm. ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธตั้งแต่เรายัางไม่ได้เข้าตั้งแต่เราไม่ได้นั่งสมาธิ mm hmm. การจเจริญสตินี้ท่านสอนว่าคนร จ, จะเจริญทั้งวันทั้งคืนลย ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะถ้าเรามาเจริญตอนที่มานั่งนี้มันจะสู้กำลังของตันหาความอยากที่อยากจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เราต้องพยายามสกัดกัน้นมันตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยเช่นวันนี้ถ้าเราไม่ต้องไปทำงานเราไปอยู่วัดไปอยู่ที่สงบไปเจริญสมถะภาวนาไปเจริญสติสิ่งแรกที่เราต้องทา อันแต่ติ่นขึ้นมาอะไรก็คือเจริญสติก่อนใช้คำบริกรรมพุโทโธไปให้มีคําบริกรรมพุโทโธหล่อเลี้ยงใจไปเรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะวันนี้เราไม่ไปทํางานเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครเราจะมาอยู่วัดเราจะมาดึงใจให้เข้าข้างในถ้าเราจะดึงใจให้เข้าข้างในนี้เราต้องไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เราต้องพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปไปทำกิจอะไรก็พุโทโธไปด้วยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทำคำสาสถานที่หรือทำอะไรก็ตา่างถ้ามีการเคลื่อนไหวก็ให้มีพุโทโธคอยกากับใจอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่สิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะว่าถ้าไปคิดแล้วใจมันก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แต่ถ้าเราระ ง, งับไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ตัณหาก็จะไม่เกิดความฟุ้งซ่านก็จะไม่เกิดใจก็จะว่างจะเบาจะเย็นทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิใจก็จะเบาจะเย็นจะสบาย mm hmm. แล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิก็ใช้คาบาลีคำรรพุทโธต่อไป ถ้าเรามีสติที่มีกำลังมากเราก็จะสามารถระงับความคิดให้<ม>ให้ให้หมดไปได้ในระยะเวลาอันสัน้นพอจิตหยุดคิดปั๊บจิตก็จะนิ่งสงบเข้าสู่สมาธิขึ้นมาทันทีเข้าสู่ข้างในทันทีเข้าสู่ภายในเข้าไปสู่ภายในใจพอเข้าไปในสมาธิปั๊บตาภายในที่ถูกปิดเอาไว้ก็จะเปิดขึ้นมาทันที เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจิตอย่างชัดเจนแต่เบื้องต้นยังไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจิตนี้มีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างมีมีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและเป็นฝ่ายที่เป็นอกุศลอันนี้ต้องเป็นขั้นต่อไปของการปฏิบัติคือขั้นวิปัสสนาคือปัญญาการที่เราจะมีวิปัสสนามีปัญญาเราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนเราก่อน ว่าภายในใจเหล่านี้มีธรรมอย่างไรบ้างมีธรรมที่เป็นมรรคก็มีมีธรรมที่เป็นสมุทัยก็มีธรรมที่เป็นมรรคก็ธรรมที่จะทําให้ใจสงบทําให้ใจพ้นทุกข์ธรรมที่เป็นมรรคก็เป็นธรรมที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจถึงเหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้ถึงแม้จะเข้าไปภายในใจได้ก็จะไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไร เพียงแต่รู้ว่าเวลาเข้าไปในสมาธิแล้วใจสงบมีความสุขทังนั้นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจนี้มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างมีคุณมีโทษอย่างไรบ้างอันนี้จะไม่รู้จะรู้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะส่งสอนให้เรารู้ว่าภายในใจนี้มีธรรมที่จะทําให้ใจสงบทําให้ใจ สาทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นความภาคเพียนความขยันหมั่นเพียนในการปฏิบัติธรรมเช่นสติเช่นสมาธิเช่นปัญญานี่คือธรรมต่างๆที่มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะจะเป็นเครื่องมือในการที่จะมากำจัดธรรมที่เป็น โทษแก่จิตใจก็คือกิเลสตัณหาต่างๆความโลภความอยากความหลงต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจอยู่ยังเป็นยัต้องมีศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องที่จะมาคอยกําจัดมันให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อกําจัดมันได้ก็จะได้ทำเป็นขั้นๆ ข, ขั้นแรกก็เรียกว่าขั้นโสดาบันมรรคผลของขั้นโสดาบันขั้นที่สองก็คือขั้นสกิดาคามี ขันที่สมก็คืออนนาคามีขั้นที่สี่ก็คืออรหรันต์แล้วขันิพพานตามลําดับทำเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อเราได้เจริญวิปัสสนาภาวนาเมื่อเราได้ใช้ปัญญามาแยกแยะมากําจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมาเสริมสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจใทำเหล่านี้มันอยู่ภายในใจของเรา ไม่ได้อยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆถ้าเราไม่เข้าความเข้าไปข้างในเราจะไม่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้เราจะมีดวงตาเห็นโลกธรรมนั่นก็คือโลกธรรมก็คือเห็นลาบยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็จะไปหลงคิดว่าโลกธรรมนี้คือความสุขคิดว่าโลกธรรมนี้เป็นวิธีการดับความทุกข์ของเรา แต่มันไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์มันไม่เครื่องมันไม่ใช่เป็นเครื่องดับความทุกข์แต่มันเป็นเครื่องสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นมันเป็นเครื่องที่จะพาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นถ้าเราไปเสพไปไปหาไปสแสวงหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอยู่เรื่อ ย, เ, อยเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดมอเสพแล้วเราก็จะติด ติแล้วเราก็ต้องเสพมันอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้เสพเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะไปเสพโลกก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เ, เราได้เสพรูปเสียงดลดลลยกะลิ่นรสราบยศสเสริญด้วยร่างกายนี้มาหลายหลายรอบแล้วหลายแสนล้านรอบแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าจํานวนความทุกข์ที่เราได้จากการไปเกิดแต่ละครั้งนี้ ถ้ามารวบรวมกันแล้วเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคือน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เราเกิดความทุกข์ใจเนี่ยเวลาที่เราเจอกับความแก่ก็ดีเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดี <uz ha. S 1> เ, จเจอกับความตายก็ดีเจอกับการสูญเสียเจอกับการพัดภาคจากสิ่งที่เราลักก็ดเีเราจะหลั่งน้ําตากันถ้าเราเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวมกันนี่ท่านบอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร คิดดูก็ลกันว่าต้องมาเกิดกี่รอบด้วยกันถึงจะมีน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรนั่นคือจํานวนของจํานวนของการเวียนว่ายตายเกิดของเราและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปยังไม่มีสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาหรือเจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีหรือเจอกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคาสอนก็ดีหรือพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าก็ดี ท่านก็จะสอนให้เรามาเปิดตาในกันให้เราปล่อยวางสำรวมอินทรีย์อย่าไปเสพโลกกระทำะแล้วก็จะได้มีเวลาดึงใจให้เข้าข้างในอพอเราดึงใจเข้าข้างในเราก็จะสามารถเปิดตาในขึ้นมาเปิดดวงตาให้มีเห็นธรรมขึ้นมาด้วยการเจริญสมุทด้วยการเจริญการภาวนาขั้นที่สอง หลังจากที่เราได้สมถะภาวานาเข้าข้างในได้แล้วขั้นที่สองเราก็เจริญวิปัสสนาภาวานาแยากแยะทำต่างๆที่มีในใจของเราให้ให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นอกุศลก็กําจัดมันเสียให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วต่อไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจาก ความทุกข์ต่างๆปัจฉียกิเลสตัณหาต่างๆที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดกันเมืม่อใจสะอาดบริสุทธิ์อย่างเต็มร้อยแล้วใจก็จะได้นิพพานขึ้นมาในใจเมื่อได้นิพพานแล้วก็จะได้บ ร, รมีสุขนิบานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มความพอไม่ต้องไปหาอะไรมาเติมอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไป นี่แหละคืออ น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเปิดตาในเพื่อให้มีดวงตาเห็นคำกันอยากจะเห็นตามมีดวงตาเห็นธรรมเราต้องมาปฏิบัติจิตตภาวนาแลวต้องมีศีลแปดเป็นเครื่องมือสนับสนุนเป็นอย่างน้อยรักษาศีลแปดให้ได้แล้วก็มาเจริญสติคอยควบคุมความคิดนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าข้างในหลังจากที่ใจเข้าข้างในได้แล้วก็ สอนใจให้รู้ให้ฉลาดต่อไปในขั้นต่อไปไม่ใช่ในขั้นเดียวกันขั้นสมถะนี้เราก็ให้มันนิ่งเฉยๆไปก่อนให้มันมีความสุขให้มันมีความอิ่มความพอแล้วขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิแล้วเราค่อยมาเจริญวิปัสสนาภาวนามาสังเกตดูสิ่งต่างๆที่มีในใจว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นมรรคอะไรเป็นสมุทยัย เราจะสามารถแยกแยะได้ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเราแยกแยะส่วนที่ไม่ดีให้มันออกไปจากใจกาจัดมันให้มันออกไปเราก็จะเหลือแต่ส่วนที่ดีส่วนที่ดีก็จะสร้างความสุขให้กับใจของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่ก็คือวิธีการที่เราจะมีดวงตาเห็นธรรมกันเราต้องปฏิบัติจิตตภาวนาเราต้องรักษาศีลแปดเป็นอย่างน้อยขึ้นไปในเวลาที่เรามาบาเพ็ญจิตตภาวนากัน นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่วกเวลาตามที่ได้กำหนดไว้แล้วต่อไปนี้เราจะมาเจริญสมถภาวนากันมานึงใจให้เข้าข้างในกันเพื่อที่เราจะได้เห็นธรรมต่างๆที่มีในใจของเราเห็นกิเลสของเราเห็นตัณหาของเราเ<ม>ห็นโมหะอวิชชาของเราเห็นมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นตามลาดับ จากการที่เราคอยกําจัดกิเลสตัณหาให้มันหมดสิ้นไปจากใจไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องดึงใจเข้าข้างในเราต้องมานั่งสมาธิกันเรียกว่าจเจริญส ม, มะถะภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าข้างในให้ได้เมื่อใจนิ่งสงบแล้วใจก็จะเข้าข้างในพอเข้าข้างในตาในก็จะเปิดขึ้นมาให้เราเห็นทำต่างๆที่มีใน ใ, นใจของเราทำที่เป็นคุณที่เป็นโทษทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลก็จะ โปะโปขึ้นมาให้เราเห็นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะค่อยใช้ปัญญาวิปัสสนามาแยกแยะอีกทีแต่เบื้องต้นนี้เราต้องการให้เข้าไปอยู่ข้างในก่อ น, วนเวลาเข้าไปข้างในก็พยายามให้มันอยู่ข้างในไปนานๆอย่าเพิ่งไปแยกแยะอะไรทั้งสิน้นเบื้องต้นนี้ฝึกสมถะภ า, าวนาดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้ก่อนให้อยู่เฉยๆให้ได้นานๆก่อนแล้วต่อไปเราค่อยมาแยกแยะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราต่อไป การนั่งสมาธิเราจึงต้องมีสติคอยกำกับใจคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดผูกใจไว้กับกรรมฐานกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้พุโทโธพุโทโธกันเป็นกรรมฐานนั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆต้องมีอะไรผูกใจไว้ถ้านั่งเฉยๆไม่มีอะไรผูกใจใจจะลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าใจลอยไปความคิดนั่งไปเท่าไหร่ก็จะไม่สงบจะไม่สามารถเข้าข้างในได้ เพราะความคิดจะพยายามดึงให้เราออกไปข้างนอกดึงให้เราไปหาคนนั้นคนนี้สิ่ ง, งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆเราต้องหยุดความคิดให้ได้ด้วยการใช้สติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุโทโธก็ได้หรืออยู่กับลมหายใจก็ได้หรือถ้ายังูอยู่กับลมไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้เพราะความคิดยังคิดอยู่มากยังฟุ้งมากก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆจนกว่าความคิดจะเบาลง จนสามารถกลับมาดูลมได้หรือ ม, มาพุโทโธได้เราก็กลับมาดูลมดูพุโทโธต่อไปจนกว่าใจจะนิ่งสงบพ อ, อนิ่งสงบก็ปล่อยให้มันนิ่งสงบไปนานๆอย่าเพิ่งไปทําอะไรยังไม่ต้องมาแยกแยะไว้รออีกขั้นหนึ่งละไว้รออีกเวลาหนึ่งถึ่งตอนเบื้องต้นนี้ยังไม่ใช่เวลาเบื้องต้นเราต้องการสร้างความสงบต้องการฝึกวิธีเข้าสมาธิให้ชํานาญก่อนแล้วเราค่อยไปไปขั้นที่สองคือขั้นปัญญา การวิปั ส, สนาขั้นต้นนี้เราต้องฝึกสมถะสมาธิเข้าห้องในให้ได้ก่อนให้ชำนาญก่อนทุกครั้งที่เราจะต้องการเข้าห้องในเราต้องเข้าได้ทันทีก่อนถ้ายัางเข้าไม่ได้ทันทีทุกครั้งก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญามาทางสมาธิก่อนให้ชำนาญก่อนนี่ก็คือสิ่งที่เราจะทำกันต่อไปนี้คือนั่งสมาธิทาใจให้นิ่งนิ่งหยุดความคิดด้วยการ มีใจผูกใจมีสติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานให้รู้อยู่กับพุทโธก็ดีให้รู้อยู่กับลมหายใจก็ดีถ้ามีอะไรมาปรากฏให้รับรู้อย่ายไปตามรู้ให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับกรรมฐานไปเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคลตรงนี้ก็อย่ายไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับลมหายใจไปหรือยอยู่กับการสวดมนต์ไป แล้วแต่กรรมฐานที่เรากำลังใช้อยู่ในขณะนั้นถ้าเราอยู่กรรมฐานได้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาประมาณ25้านาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิก ก็ให้สังเกตดูว่านั่งแล้วเป็นยังไงวันนี้สงบดีไหมถ้าสงบดีก็จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้ให้ดีคราวหน้าเวลามานั่งต่อก็ใช้วิธีเดิมนี้แล้วจิตก็จะสงบได้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทำให้มันสงบนะต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องนะถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อย มันจเจริญสติในระหว่างวันให้มากๆขึ้นเหมือนท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจแล้วต่อไปเวลานั่งเขาน่าจะได้มีความสงบได้ง่ายแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริป e ุเรนติสาครลังเอวเมวะอิโตชินังเตตานังอุปกปติ ปิชิตังปัติชิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิชาโตสัพเพปเรนตูสังกปายันโทปนาราโสยธามณิโชติาราโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีจีกายุโภภวะ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 เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคำถามเพราะถ้าหลังจากเลิกแล้วจะไม่ได้คำตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ271ท่านทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติ279็ท่าน ทางยู u ูบดรวีสี่สิบแปดท่านทางวิทยุออนไลน์สิบท่านทางคลับเฮ u s ์เก้าท่านผู้รับฟังหน้ากุติหนึ่ง้อยห้าสิบท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดท่านครับกราดมัทสกายน า, ารเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุติเจ้าค่ะสภาวะจิตที่ กระชากเข้ากระชากออกหลายครั้งเป็นเพราะอะไรเจ้าคะทําให้ไม่กล้านั่งต่อช่วงที่นั่งภาวนาบางครั้งเห็นเป็นคลื่นน้ําเป็นสภาวะอะไรเจ้าคะสภาวะของการขาสติถ้ามีสติแล้วจะจิตจะนิ่ง น, นพยายามมีสติให้อยู่กับกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาอย่านั่งเฉยเฉยถ้นานั่งเฉยเฉยแล้ ว, วปล่อยให้จิตมันออกไม่อบเดชได้ แต่ถ้าเรามีกรรมฐานก็เหมือนกับมีเชือกัดจิตเอาไว้ผูกจิตเอาไว้มันก็จะไม่พยศได้เจ้าค่ะจากพุทธฟักธรรมะนะ้ากุฏิเจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์เนเจอรที่เกิดขึ้นกับตัวเองสักเรื่องได้ไหมครับเพื่อเกิดให้เกิดศรัทธาประสาทะค่ะอ๋ออย่าไปสนใจกับเรื่องเหล่านี้เลยให้สนใจเรื่องกิเลสดีกว่า ทำไงลดความโลภความโกรธความหลงให้เราน้อยไปให้มันน้อยลงไปให้มันหมดไปได้จะดีกว่า <ฮะ S 1> ถือศีลแปดนี่ก็เป็นซูเปอร์เนชัลแล้วล่ะใครถือศีลแปดได้นี่ก็ถือว่าเก่งนะ้หยุดกิเลสได้นะไม่กินข้าวเย็นได้นี่ก็ถือว่าเก่งแนละ้วจะไปอะไรมากมาย ก, กว่านี้เลยเอาของใกล้ตัวเราให้ได้ก่อนดีกว่า เจ้าค่ะจากเด็กๆที่มาฟังธรรมนักวิิเจ้าค่ะมีคำถามสองคำถามคำถามที่หนึ่งถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเผลอนั่งหลับเป็นเพราะอะไรคะเพราะหมดสติ <laughs> ถ้าไม่มีสติมันก็หลับนคนที่ไม่มีสติก็คือคนหลับคนตายหรือคนเมาถามคนนี้ไม่มีสติพระเจ้าตึงสอนว่าอย่าอย่าดื่มสุรา ท่านดื่เวลาแล้วเมาแล้วนั่งนั่งสมาธิไม่ได้อย่านั่งหลับแล้วก็อย่าตายเจ้าขาข้อที่สองถ้าเพื่อนแกล้งหรือตีเราเพื่อนจะบาปไหมคะแล้วเราควรวางใจอย่างไรคะเขาทําอะไรไว้เขาก็ต้องรับผลของเขาเขาทําบาปเด็กเขาต้องรับผลบาปของเขาเรามีหน้าที่เฉยก็เฉยไปเขาตีเราเรามันก็เจ็บไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ต้องทาอะไรต่อไปไปตีเขากลับแล้วก็ไปทําบาปเท่ากับเขา เจ้าค่ะจากคุณใบ ย, ยกทางด็อร์วชนลเจ้าค่ะณปัจจุบันในระหว่างวันในจิตนี้มีฝ่ายดำเกิดขึ้นฝ่ายขาวก็ตัดทันทีแต่แค่ในบางเรื่องเจ้าค่ะแต่ดีกว่าตอนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิปัจจุบันนั่งจนเหลือแค่ตัวรู้จิตที่ละเอียดขึ้นจะมองเห็นฝ่ายขาวที่มาตัดฝ่ายดำสองตัวนี้สู้กันไปมาระหว่างวัน ข่าวชนะบ้างแพ้บ้างแบบนี้ถือเป็นปกติใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ต้องให้มันเอาฝ่ายขาวใชนะฝ่ายดำให้หมดให้ได้หน้าที่ของฝ่ายขาวก็คือพยายามกาจัดฝ่ายดำให้มันหมดไปยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าคะ่ะใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้นะเข้ามาเอาไมไปพูดได้ ตอนนี้ก็รอให้มีคําถามเข้ามาก่อนการถามคําถามนี้พระเจ้าก็บอกว่ า, าวเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเราจะได้กำจัดความลังเลยสงสัยต่างๆที่เรามีอยู่ได้สงสัยเรื่องอะไรเราไม่รู้ตาถามคนที่เขารู้ออพอเขาบอกเราแล้วเราก็จะได้หายสงสัยได้ถ้าเราเก็บไว้ในใจความสงสัยมันก็จะไม่หายไป แค่ไม่ต้องอายการการคุยกันการถามกันนี่เป็นเหมือนการการศึกษาการลร่มเรียนที่เรามานี่เราก็เพิ่มมาเรียนมาศึกษาหาความรูท้ทางธรรมกันงั้นถ้าเชิญเข้ามาได้ถ้ามีคำถามมันในข้างหลังนี่คุยใกล้กละปากหน่อยกับขอโอกาสเจ้าค่ะ จะขอคําแนะนําจากาพระอาจารย์ช่วยแนะนําในการฝึกสมาธิให้กับเด็กเล็กค่ะะพอดีมีหลานเล็กๆอยู่ค่ะก็พาเขานั่งกับเราสิ<ห>อาตอนตัวเรสอนให้เขาสวดมนต์ก่อนสวดอัหังัลสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนไปก่อนอเสร็จแล้วก็บอกนั่งหลับตาว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจเราก็ต้องนั่งคู่กับเขาถ้าเราไม่นั่งเขาก็จะไม่ทำแต่ถ้าเรานั่งเขาก็าอยากจะทําทตามเรา <Okay. S 2> การสอนต้องสอนด้วยการปฏิบัติเด็กถึงจะเชื่ออย่าไปสอนแบบแม่ปูแม่ปูสอนลูกปูใว้อย่าเดินอย่าเดินเฉยไปเฉยมาเดินตรงๆแต่ตัวแม่เองก็เดินเฉยไปเฉยมาสอนเด็กให้นั่งสมาธิแต่แม่ไปนั่งดูทีวีอย่างนี้มันก็เด็กมันก็ไม่นั่งด้วยเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาทำตามเจ้าคก่าวขอบพระคุณเจ้า่ะ กลับนมัส ก, การค่ะออออโยมนั่งสมาธิพอสงบแล้วค่ะแต่ยังได้ยินเสียงภายนอกพอนั่งต่อไปทีนี้จิตสงบแต่ไม่ได้ยินเสียงภายนอกอีกเลย ค, ความสงบมันมีหลายระดับนียระดับแรกๆมันยังจะได้ยินเสียงภายนอกอยู่ยได้มีความรู้สึกร่างกายอยู่แต่พอมันเข้าไปลึกๆแล้วมันทุกอย่างหายไปหมดนะไม่เป็นไรได้ทั้งสองอย่าง ข้อสําคัญก็คือใจเรานิ่งไม่คิดอะไรมีความสุขกับความสงบค่ะค่ะตามนั้นรู้สึกค่ะถ้าสติดีๆมันจะเข้าไปลึกถ้าสติยังมไม่ไม่มาออกพอมันก็จะเข้าไปไม่ลึกมันก็ยังจะได้ยินเสียงได้อะไรสัมผัสอยู่แต่มันจะไม่เดียารวมกับเสียงที่เราได้ยินมันจะรู้สึกเฉยๆอืาอยังนัเรียกว่าความสงบนะเป็นสมาธิในระดับหนึ่ง แต่ถ้า ม, มันสงบแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้คะอ่านั่นสง บ, สงบเต็มที่การแยกแยกใจแยกออกจากร่างกายชั่วคราวไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางทางร่างกายถ้ามันสงบแบบนั้นก็ให้มันสงบเป็นานานให้มันนิ่งเป็นานานอย่าเพิ่งออกมาเพราะเห็น อ, อ, อะไรนะพอดีเรียนคุูสมาธิอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่า ถ้าสงบขนาดนั้นมันอันตรายไม่อันตรายยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งดีอ๋อค่ะ ใ, ให้มันเหลือไม่มีอะไรเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวสักแต่ว่ารู้อุเบกขาอันนี้เลาเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตเข้าไปเต็มที่ถ้าเป็นร ะ, ระดับชานก็เป็นฌานที่สี่นีอุเบกขาการนั่งสมาธิไม่มีอันตรายไม่ว่าจะอยู่ขั้นไหนก็ตามขั้นที่อันตรายก็ขั้นที่เข้าไม่ได้ พอเข้ามาไา้คิดฟุ้งซ่านนะไม่ต้องกลัวมาที่ปลอดภัยเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่พึ่งของใจได้สาธุมีขันอยู่ข้างหลังมีคำถามค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุตินสักคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าสภาวะจิตเราจเจริญขึ้นเจ้าค่ะ ก็สงบมากขึ้นกิเลสน้อยลงความโลภความโกรธความหลงน้อยลงความทุกข์น้อยลงไปจ้าค่ะคำถามต่อไปเวลาพูดอะไรหรือคุยกับใครเสียงที่ออกมาจากศูนย์กลางกายแล้วสมองไม่มีคิดอะไรเลยณปัจจุบันค่ะ ไม่เข้าาใจถมเวลาพูดหรือคุยกับใครเสรียงที่ออกมาจากศูนย์กลางกายแล้วสมองไม่มีไม่มีคิดอะไรเลยณปัจจุบันค่ะไม่คิดจะพูดได้ยังไงมันต้องคิดก่อนถึงจะพูดได้เชค่ะจาก YouTube ค่ะถ้าเราฝึกเจริญสติพุทโธพุทโธในชีวิตประจำวันอยู่เสมอแล้วเวลาทำงานปกติใจคอยแต่จะแวบไปพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆ จะมีวิธีดึงกลับมาทํางานตรงหน้าไวๆ ไ, ได้อย่างไรเจ้าคะ่ะก็เบนจากพุโทโธเป็นทํางานทํางานทํางานต้องทํางานทํางานทํางานจะไปพุโทโธมีคนถามคกาบมาสการเจ้าคะ่ะพอดีเมื่อกี้มีคนเขียนคําถามทีนี้เ อ, อมาช่วงหลังเนะะี่ยค่ะสภาวะที่เกิดขึ้นนะคะคือ เมื่อปีที่แล้วนี่สมองเนี่ยคือมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรคิดเรื่องอะไรแต่ว่าเวลาอังคุยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีเสียงออกมาจากศูนย์กลางกายอยู่ตลอดเวลา เ, ออเวลาภาวนาจิตหรือว่าทําอะไรทุกอย่างค่ะแล้วก็ล่าสุดอะค่ะคือเป็นสตรกในทีนี้ตอนที่เราเป็นสตรกอยู่อ่ะเป็นชาครึ่งตัวแต่มันรู้สติอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเสียงที่อยู่ตรงศูนย์กลางกายมันมันมีเสียง ตัวเองอ่ะออกมาจากตัวนี้แต่ว่ามันไม่ได้ออกมาจากสมองก็เลยว่าไม่มั่นใจว่าเออเราภาวานาถูกต้องไหมคะ่ะแบบนี้ค่ะอืถ้าเราภาวนามันจะไม่มีเสียงค<ะ>่ะถ้าเราไม่ภาวนามันก็จะมีเสียงอเวลามีเสียงแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปคแล้วเดี๋ยวก็จะหยุดเสียงได้ค<ะ>่ะพระอาจารย์คะแล้วก็พอดีอังอ่ะไม่สบายเป็นศรอกอ่ะแข้งแขนข้างนึงซีกซีกหนึ่งะค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันชาไปหมดแต่ว่าพอเวลาเรานั่งภาวนาปุ๊บ นะคะมันมันหายหายดีขึ้นนะคะแล้วก็ระบบหายใจคุณหมอเขาบอกว่าเป็นลอดเออลอดลอมอักเสบค่ะข้างในมันหลอดลอมมันตีบแล้วมิสิทธที่เราจะเป็นความดันสูงทีเนี้ยพออังภาวานาปุ๊บเนี่ยค่ะมันมันหายค่ะใช่เพราะมันจิตสงบมันลดความเครียดได้ความเครียดจะเป็นตัวที่ไปทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเ<ะ>อาความเครียดหายไปอาการที่เกิดจากความเครียดก็จะหายไปค่ะคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นความดันเนีย่ย ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความเครียดโรคภัยต่างๆเลยพอเราทําใจให้สงบไม่ไม่มีความเครียดแล้วอาการต่างๆที่เกิดจากความเครียดมัก็จะหายไปค่ะแต่นั่งนานถึงสามชั่วโมงมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าไม่มีผลยิ่งงานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนั่งอะไรนั่งวันได้ยิ่งดีค่ะขอบพระคุณค่ะธรรมที่มีคุณค่ามีประโยชน์ไม่มีโทษแต่อย่างใดค่ะเชื่อร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอา่ะรับไมโครโฟนหน่อย อยากจะถามอะไรหรือเปล่าถามเองถามเองดีกว่าค่ะก็ตอนนี้ค่ะก็จะบอกว่จะภาวนาค่ะแล้วก็ท่องพุทธพุทโทในใจอะค่ะอาจารย์แต่ว่าก็จะมีความคิดเข้ามาแล้วก็พยายามกลับมาที่พุทโทใช่ไหม่ๆ ม, มันจะชักไปเยอะกันพี่เลนมันจะดึงให้เราไปคิด่องนั้นดึงนี้นน สติก็จะหนึงให้เรากลับมาอยู่กับพุโทโธคพยายามเกาะติดกับพุโทโธเวลามันไปคิดก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดกับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดก็จะน้อยลงไปเบาลงไปค่แล้วต่อไปมันก็จะหายไปค่ะเคยเคยหายไปอะค่ะอาอจารย์ต้องใช้สติมากต้องอดทนต้อ ง, จงใจเย็นๆต้องพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่สนใจกับความคิดเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวความคิดก็จะหายไปแล้วจิตก็รวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้ เป็นสมาธิแล้วก็ต้องพุดโธต่อไปไหมคะไม่ถ้ามันนิ่งแล้วไม่ก็ลองไม่้องพูดโธแล้วค่ะอืมเราเคยอยู่ในสภาวะอย่างนั้นและค่ะเราก็จะหลับไปค่ะคักหลับไปแสดงหมดสติก็ต้องกลับมาพุดโธอย่างนี้ปะใช่ต้องปลูกมันขึ้นมาใหม่ค่ะค่ะโอเคค่ะจะทำต่อไปอาจารย์ดีนะพยายามทำไ้เรื่ยมันจะดีขึ้นไปตามลําดับค่ะต้องใจเย็นๆฟังอาจารย์ต้องทำให้มากๆค่ะแล้วก็ พยายามถือสินแปรตามที่พระอาจารย์สอนนะคะ่ะอ่าดีจะช่วยให้การทําสมาธิง่ายขึ้นถ้าไม่ถือสินแปดต์เวก็อยากจะไปดูนั่นดูนีฟน่ฟังนู่นฟังนี่พอถือสินแปรต์โ้ยเราทําไม่ได้นละ้วต้องมาพุโทโธอย่างเดียวค่ะก็ค่ะก็พยายามแต่ว่าไม่ใหม่ก็จะหิวไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆพะจิตสงบแล้วมันจะหายหิวค่ะวนยายความหิวมันเกิดจากใจที่ไปอยากพรออยากอะไรป้อมมันหิวขึ้นมาทันที เมื่อได้กินข้าวอิ่ใหม่ๆลองไปคิดถึงขนมอะไรเลยอยากจะกินขึ้นมาทันทีใช่ค่ะพอเราหยุดมันได้มันก็ความหิวก็จะหายไปค่ะก็ตัวนี้ก็จะปพยายามจะถึงสินแปดทุกเสาร์อาทิตย์แล้วคะพีได้วันไหนสะดวกถือไปเลยค่ะต้องถือสินแปแล้วก็ต้องเจริญสติควบคู่กันไปนั่นสมาธิควบคูดเลยถ้าถือสินแล้วไม่ไปปฏิบัติก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ระหว่างวันก็คือระหว่างวันอยู่บ้านก็คือพูดโธพูดโธไปทั้งวัน อาบน้ำนั่งหน้าแปลงควันกวาดบ้านถูบ้านรือทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธค่ะปรสกัดกั้นความคิดอยาให้มันคิดเลื่อยเปื่อยถ้า <empezar. S 1> มนนั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายกับขอพบคุณครับอาจารย์ ม, มีคำถามฝากถามเข้ามาว่า เด็กสามขวบชอบฟังเทศที่ไม่ใช่บทสวดมนต์ก่อนนอนกลางวันหรือกลางคืนฟังไปแล้วแล้วเด็กตับแบบนี้เป็นการดีหรือไม่ดีเจ้าคะหรือต้องปิดเสียงก่อนหลับถ้าเขาชอบก็ดีธรรมะเป็นของมีคุณค่าไม่ว่าจะปกับใครก็ตามอาจจะเป็นเขามีบารมีเก่าติดตัวมาเคยฟังเทศในในอดีตชาติมาเป็นนิสัยพอได้ยินเสียงเทส ก, ก, ก็เกิดความติดใจขึ้นมาทันทีเห็นปล่อยเขาฟังไปได้ ในคนแลกตามคนทางตางขอกรรมนามสการพระอาจารย์ค่ะ ดีว่าตอนนี้หนูเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วก็กําลังปฏิบัติงานชั้นปีสุดท้ายแล้วก็เวลาช่วยเหลือคนไข้ก็จะรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนไข้มากๆค่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าอยากให้พลังที่มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแบบเนี้ยค่ะมันไม่หายไปแต่หนูก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าหนูจะเจอสิ่งที่ยากกว่า น, นี้แล้วทาให้กําลังใจของหนูเนี้ยมันบั่นทอนลงไปหรือเปล่าเลยอยากขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าจะทํายังมีวิธีการอะไรที่จะทําให้กําลังใจในการช่วย เหลคนมันไม่มันไม่ปั่นทอนลงไปให้มันฟูขึ้นไปเรื่อยๆได้ไหรคะอาจารย์ท่านต้องเราอย่าไปยึดยึดติด ก, กับกาลังใจของเราเพราะมันยังอยู่ภายใต้กฎตายลักอยู่มันมีขึ้นมีลงได้บางเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ที่มากระทบอาจจะทำให้เราท้อแท้ก็ได้บางเวลาก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่มาปลุกให้เรามีความขยันมากขึ้นก็ได้ก็ ค่อให้สังเกตดูแล้วก็พยายามที่จะทําใจเฉยๆแล้วพยายามดําเนินการปฏิบัติของเราไปตามที่เราเคยทําทําให้มันเป็นนิสัยแล้วนิสัยนี้มันจะผลักดันให้เราไปทําต่อันได้อย่างต่อไปถึงแม้ว่าบางเวลาจะเจอเหตุการณ์ที่จะทําให้รู้สึกท้อแท้บ้างแต่ถ้าเรามีนิสัยที่จะทำมันก็จะมันก็จะผลักดันออกไปได้แต่อย่าไปกังวลเรื่องของความเสื่อมมันต้องเสื่อมบ้าง ทุกอย่างในโลกนี้มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าเวลามันลงเราก็อย่าท้อล้วก็ทําเท่าที่เราทําได้บางทีเราอาจจะเหนื่อยอาจจะไม่มีกําลังเราก็พักบ้างไม่ใช่จะต้องทําได้ตลอดยีบสีเพราะเราไม่ใช้เป็นเครื่องจักรเครื่งจักรนี้ทําได้ตลอดเวลาแต่คนนี้มันต้องมีมันมีประมาณกําลังของมันเมื่อมันถึงขีดนี่มันก็ต้องปล่อยวางพักผ่อนกลับนอนกินข้าวนั่งสมาธิทําใจให้สงบก่อนแล้วค่อยกลับไปทําใหม่ ถ้าทำอย่างนี้แล้วรับประกันได้ว่าไม่ท้อที่ท้อเพราะบางทีเราทำเกินกำลังของเราอยากจะทำให้มากๆพอทำไม่ได้มากๆก็เลยท้อเบื่อหน่ายขึ้นมาเราต้องดูกำลังของเราแล้วดูภาวะที่เราทำอยู่ว่ามันทำได้หรือไม่บางทีเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้บางทีช่วยคนไข้ไม่ได้เขาจะตายอย่างนี้เราก็ทาสุดกาลังของเราแล้วแต่เขาตายก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเราทำอย่างเต็มที่แล้ว อย่าไปท้อเพราะเราช่วยเขาไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะช่วยทุกคนได้หรอกเพราะภาวะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็รักษาได้บางคนก็รักษาไม่ได้ต้องใช้ปัญญาแยกแยะแล้วเราก็จะได้สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างสบายอย่าเอาแต่ความมุ่งมั่นอยากจะทําอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ไม่ดูภาวะเหตุการณ์แวด ล, ล้อมหรือกําลังของเราว่าทําได้หรือไม่ได้ บางทีก็ทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ต้องพักไว้ก่อน<ะ>ทำเท่าที่เราทําได้อนอกจากมีเมตตาเรายังต้องรู้จักอุเบกขาด้วยอุเ<อ><อ>บกขาคือวางเฉยบ้างปล่อยวางบ้างเมื่อมันสุดกําลังของเราแล้ววิธีที่จะทำให้เรามีอุเบกขาก็คือเราต้องไปนั่งสมาธิด้วย อ, อย่าไปทําอย่าไปช่วยคนอื่นจนกระทั่งเริ่มช่วยตัวเราเองออการนั่งสมาธินี่เป็นการช่วยให้เรามีกําลังที่เราจะได้ไปต่อสู้ ทบงานต่างๆได้ดีถ้าเราไม่มีสมาธินีจใจเราจะมีอารมณ์มากแล้วถ้าไปเจออารมณ์เสียมันก็จะทำให้เรานหมดกบฏกำลังใจได้เข้าใจไห้ข อ, อขอบคุณค่ะอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่ไหนอยู่สีรีลาาค่ ะ, คคะแต่ตอนนี้ อ, อยู่ฝึกปฏิบัติงานที่สมุทรสาครค่ะคใกล้จะจบเล้าใ่ไหใกล้แล้วค่ะอีกหกเดือนค่ะโอเคยินดีด้วยใช่ไหมขอบคุณค่ะ มีคาถามจากทาง youtube พระอาจารย์เจ้าค่ะว่ากาลังกำหนดสติที่ข้อเท้าเกิดภาพเป็นโครงกระดูกขึ้นมาภายในร่างสิ่งนี้สอนอะไรเราคะโครงกระดูกนี้คือธาตุดินหรือเปล่าคะกราบขอพระคุณค่ะสาธุค่ะคือโครงกระดูกก็เป็นโครงกระดูกเวลาเราจเจริญสมาธิจเจริญสติเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรให้ใจเราอยู่กับกรรมฐาน เวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าเพิ่งไปสนใจอย่าเพิ่งไปไปเกี่ยวข้องด้วยให้กลับมาที่กรรมฐานของเราเพราะเราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบแต่ถ้าเราอยู่ในขั้นวิปัสสนานี้อะไรโผล่ขึ้นมาเราพิจารณาให้มันเป็นดินน้ำลมไฟไปก็ได้พิจารณาให้มันเป็นตายรักไปก็ได้อ น, นี้จังทุกขังอนาัตตาก็ได้แต่ถ้าทําสมาธิไม่ให้พิจารณาอะไรทั้งสิน้นให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียว ทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะระยะเวลาที่เราสงบคือป ร, ริมาณสติที่เราฝึกอยู่ถูกไหมคะต้องเพิ่มอย่างไรมันหมดได้ไหมคะหมดได้ถ้าเราไม่เจริญสติอยู่เรื่อยๆนันอกจากเวลาที่นั่งสมาธิแล้วเราต้องเจริญสติในระหว่างวันด้วยก่อนจะมานั่งก็ต้องมีเจริญสติไว้ก่อนนั่งเสร็จแล้วก็เจริญสติต่อให้มีสติอยู่ทั้งวันเลยแล้วเราจะนั่งได้นาน จากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะบุตรชายไม่ฟังมีดามาดาควรทำอย่างไรคะก็กล่าวมันเสีย้ยเกล่าวมันเสีผื <c oughs> มอันจะฟังบ้างเห็นพ่อแม่กล่าวมันมาอาจจะสํำนึกผิดก็ได้ยังไม่มีคำถามเขาผ่าเค่าค่ะคือเขาต้องทำใจเลยนะถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราแล้วมันก็บนหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่สอนเขาทะะเท่านั้นเองผิดถูกดีเชื่อแต่ถ้าเขาไม่ฟังเราเราก็บังคับเขาไม่ได้ เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลกระทําของเขาต่อไปเราทําเพื่อช่วยเขาป้องกันไม่ให้เขาไปเจอผลที่ไม่ดีอย่างถ้าเขาดื้อได้อยากจะไปเสพยาเสพติดอยากจะไปเล่นการพนันนี่นก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาแล้วแล้วเราก็พยายามอย่าไปสนับสนุนเขาพยายามลดการให้เงินทองของเขาให้น้อยลงเพื่อเขาจะได้ไม่เอาเงินทองไปใช้ในทางที่ผิดต่อไปหมดแล้วเหรอหมดแล้วจ้าค่ะหมดแล้วกับเท่านี้ก่อนนะสําหรับวันนี้